นี้ท่านทั้งหลายได้มาเยี่ยมมัดตรบรตะัทางโอกาสที่เหมาะสมให้มาเยี่ยมผู้ป่วยปีคุณเพาด้วยคุณเพาเการักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ได้รักษามาเต็มกำลังความสามารถ จากนั่นก็มารักษาที่นี่พอพูดมาถึงตรงนี้ก็เหมือนกับว่าวัดป่ามันตานี่เป็นโรงพยาบาลกระหมายมถึงต้องท ร, รมโอสดคือมาเพื่ออบรมจิตใจที่เรียกว่าภาว น, นาและฟังคำ อบรมของพระท่านสแสดงในรักษาจิตใจอยู่เป็นประจำในยาบททั้งสี่ส่ญนยาก็ทานไปส่วนจิตก็เรียกว่าทานไปอีกเหมือนกันทานธรรมะเข้าไปได้ยินได้ฟังจากครูอาจารย์ท่านสอนบ้างอบรมตน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 สิ่งที่ใจโตพอสมควรจิตไม่มองเห็นก็ตามแต่กายก็จะต้่าเป็นส่วนย่อยของจิตใจจิตใจเป็นส่วนใหญ่เรียวกว่าเรื่องใหญ่แต่แทนที่เราจะได้บำบัดรักษาจิตใจซึ่งเป็นส่วนใหญ่เป็นรากฐานสาคัญของส่วนร่างกายไม่ค่อยจะมีการเลี้ยวแลกันหากว่าจิตใจนี้เป็นเช่นเดียกับร่างกายแล้ว ต้องแหลกเลีวไปนานแล้วไม่สามารถที่จะครองร่างกายมาได้จนถึงขนาดนี้เลยแต่เพราะจิตมีความเงื่อนหนามันคงนิอทนทานอยู่มากในการกระทบกระเทือนสิ่งต่างๆที่ต้องเข้าไปสัมผัสภายในจิตใจทั้งนั้นไม่ว่าจะมาทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายที่สืบเนื่องมาจากรูเสียงกลิ่นรสเรื่องสัมผัสจะต้องไหลรวมลงสู่ใจเช่นเดียวกับน้ำสายต่างๆไหลรวมลงในมหาสมุทรทะเลนั่นแหละ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 ผิดพลาดคาดเคลื่อนเหมือนอย่างสามัญชนทั้งหลายพูดกันธรรมดาสามัญชนเราพูดกันนี่พูดไม่มีเหตุมีไม่ค่อยมีเหตุมีผลไม่มีขอบเขตกว้างแคบลึกตื้นย่าวละเอียดว่ากันไปแล้วแต่น้ำลายจะพาวฟุ้งไปได้หมดวันนั่งคําก็เป็นไระดาแต่หาประโยชน์ไม่ค่อยได้และความสนใจที่จะใขว้ควรตามคําพูดคําจาทั้งของเขาทั้งเราเพื่อเอาผลประโยชน์มาพิสูจน์ปฏิบัติ ให้เป็นความสุขสบายทำด้านจิตใจและหน้าที่การงานไม่ค่อยมีเพราะเหตุไรเพราะคำพูดเหล่านั้นไม่ค่อยจะเป็นสาระเท่าที่ควรจะนำมาพินิจพิจารณาถือเอาเป็นประโยชน์แต่คาพูดของพระพุทธเจ้านั้นออกมาจากความสัตจความจริงคือออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ล้วนซึ่งเป็นธรรมทั้งดวงภายในพระไยัยเมื่อแสดงออกมาแก่สัตว์โลกแสดงออกมาด้วยความเมตตาอย่างยิ่ง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 ทั้งหลายเที่ยวแจกเที่ยวแบ่งอัธรรมเพื่อให้เข้าถึงจิตใจของประชาชนและสั ต, ตว์ทั่วๆไปในระดับความสุขความสบายเหตุใดจึงต้องเที่ยวแจกเที่ยวแจงเที่ยวแนะนําสั่งสอนก็เพราะว่าสัตว์โลกนั้นโง่สิ่งที่ตายเห็นอยู่ก็ผิดหูได้ยินอยู่ก็ผิดอะไรอะไรที่สัมผัสน้ำพันมาคอยจะจะคิดไปเรื่องเป็นความผิดทั้งนั้นเนื่องจากความโงเ่เขาอยู่ภายในจิตใ จ, จพาให้ผิด สิ่งที่เห็นอยู่รู้อยู่ก็ผิดไปได้ด้วยญาติท่านทรงเห็นเหตุเห็นผลของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้เนงนำพระโอวาทที่ถูกต้องนีงามมาสั่งสอนที่เรียกว่าศาสนาและศาสนานั้นท่านสอนเพื่อใครนอกจากเพื่อเราเท่านั้นพระองค์เองก็เป็นผู้เบิกบุดถึงวิมุตพรนิพพานแล้วตั้งแต่วันตรัสสรู้ที่แรกก็ไมมีความจำเป็นอะไรที่จะ ต้องเที่ยวหาแบ่งสันตันส่วนออกจากบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายจากการสั่งสอนอบรมไม่มีแต่แม้เะนนั้นก็ภาระใครในโลกนี้จะสู้ว่ภาระของพระพุทธเจ้าได้เราเพียงทำการทำงานเพียงเล็กน้อยกับบ่นอุบอีบอุบอิบวันยังคำคืนยังนุ่มอยู่ในสถานที่ใดก็มีแต่คนบน่นพระพุทธเจ้าทำประโยชน์ให้โลกมากมายทั้งสมโลกกักันและทาไมถึงไม่หนักขนาดสมโลกนะ มันมีจำนวนมากอย่างไรที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ซึ่งจะเกี่ยวติดเป็นภาระแนะนำสั่งสอนแม้ที่สุดขณะที่จะไประรนิพพานก็ยังต้องมีสารโลกเข้าไปเกี่ยวข้องมีสุภธาปริภาชกเป็นต้นเข้าไปทูลถามปัญหาถูกพระอนุณติดกันเอาไว้กลัวจะเป็นการไปรบกวนพระองค์ให้มีความลําบากในพระกายขณะที่จะไประรนิพพานแม้เชนนั้นก็ไม่ทรงปล่อยวางพระเมตตาจึงต้องรับสั่งให้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 ถ้าพูดถึงเรื่องความเมตตาไม่มีลดละแม้แต่สุดขณะที่จะปรินิพพานก็ยังต้องประทานพระโอาวาทที่เรียกว่ายอดคําสอนว่าหันดาในพิเกเวอมตยามีวะพิเกเวพยาธมาวายาธมาสร้างฆาราอัปมาเดนะสัมปาเดะธาดูก่อนพิสูจนทั้งหลายตอนนั้นรู้สึกจะมีแต่พิสูจน์ทั้งนั้นท่านจึงว่าพิคอยอันนี้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 ที่เรียกว่าอรูปฌานวิญญาชนใจธาตุเนสัญญาณาสัญญาชนะอจินจัญญาชนะเนสัญญาณาสัญญาจนะเป็นรูปฌปานสี่แล้วก็ก้าวเข้าสูน่นิโรธฌธรร ม, ามาที่เรียกว่าสัญญาเวทิตานิโรธน่ะไปดับเวทนาสัญญาเวทนาอยู่ที่นั่นแล้วถอยกลับออกมาเรื่อย ๆ, ๆ, ๆจกนกระทั่งถึงปฐมฌานแล้วเข้าสู่ปฐมฌานอีกพอก้าวผน รูปฌาญสคือจะถตดฌานแล้วไม่ไม่เสด็จฌานไหนต่อไปีปรินิพานในขณะนั้นเป็นอันว่าหมดภาระในการสั่งสอนจารโอภาระของพระพุทธเจ้าได้สิ้นสุดลงในขณะที่ทรงทำหน้าที่ปรินิพานตั้งแต่วันตรัสรูมาจนกระทั่งถึงวันทำหน้าที่จะปรินิพานในวาระสุดท้ายนั้นพระองค์ไม่ทรงว่างเลยท่านจึงเรียกว่าพุทธกิจห พูดถึงเรื่องภาระของพระพุทธเจ้ามากมายเพียงไรพุทธกิจห้าคืออะไรชายันเทศธรรมเทศนังตอนบ่ายสามโมงสี่โมงก็แสดงทมให้แก่ประชาชนมีพระชาหมาปสัตว์เป็นต้นป ป, ะปะอะไรปาโดเซพิกุโอวาดังตอนค่ำตอนสองทุ่มสามทุ่มก็ประธานอวาาแจ่พระสงฆ์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 หอย่างภาษาของเราว่าจะตายไปอย่างง่ายๆ่า ย, ายจะต้องเสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนนี่แล้วเหล่านี้เป็นภาระทางนั้นการพิจารณาเรียนญานดูสัตว์โรกก็คือพุทธกิจพุทธกิจก็หมาอมทีง่งานของพระพุทธเจ้าปัจเจเซปินปาตันจะพอตอนเช้าก็เสด็จบิณฑ ม, มาสมาเสวยนี่เป็นประจําอยู่อย่างนั้น พูดถึงเรงภาระใครจะในโลกนี้จะมีภาระมากอย่างเหมือนอย่างพระพุธทธเจา้ารับถึง3โลกธาตุเราจะประกอบความภาคเพียรหรือทําหน้าที่การงานเพียงเล็ก น, น้อยเท่านั้นก็เ็เนถือว่าเป็นความลําบากลำบนยิ่งจะภาวนาเพื่ออาจเพื่อทำเพื่อจะนําความสุขเข้าสู่จิตใจให้มีความสงบเย็นใจบ้างก็ถือว่าเป็นของยากของลําบากไปเสียมีนมม้ําำซ้ำมาต้นอำนาจวัส น, น้อยไม่สมควรจะทําทั้งหลายนี่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 ยังเป็นไปอยู่นี้พอคิดหน้าอ่านหลังอะไรรายได้ทั้งภายนอกภายในบรรดาจิตการที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์แ ก, ก่ตนก็ควรจะดีเด่นคนขวายใจตั้งแต่บัดนี้จะพ อ, อย่างยิ่งคือจิตตรัพทนาซึ่งเป็นอาหารสําคัญอย่างยิ่งของใจท่านเรียกว่าธรรมธรรมโอสถนี่แลเป็นเครื่องยาวยาจิตใจให้ปราศจากความพุ่งซ่านวุ่นวายให้เกิดความสงบสุขได้เป็นอย่างดีในเบื้องต้นของการอบรมจิตใจนี้ก็ท่านให้มีธรรมดดบทใดบทหนึ่งเป็นเครื่องกํากับรักษาใจ แน่แน่นจะสายแสบไปสู่อารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นของที่เคยเป็นไปแล้วก่อความทุกข์ให้ตนได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอ่าจึงสอนให้ภาวนาเช่นผู้ที่จะภาวนาพุทโธหรือธรรมโอหรือสังโขหรือจะกําหนดอนาปานทติโดยตามด้วยพุทโธเช่นพูดเข้าโทออกอย่างนี้ก็ได้ทั้งนั้นตามจดลิบนิสัยที่ชอบในธรรมบทใดแต่การกําหนดนั้นให้มีความรู้สึกอยู่ภายในจิตใจของตนโดยเฉพาะเช่นกําหนด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 ไม่ต้องไปหมายถึงเหตุถึงผลอันใดที่นอกไปจากการทํางานคือกําหนดลมหายใจในขณะนั้นเนี่ยเมื่อเวลาสติของเรามีติดต่อสืบเนื่องกันอยู่โดยลําดับจิต ก, ก็มีโอกาสที่จะเล็ดอดไปสู่อารมณ์ต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยจิต ก, ก็จะยังเข้าสู่ความสงบโดยลําดับลําดับแม้ลมหายใจที่เคยหายใจว่าหยากในขณะที่เรากําหนดเบื้องตน้นก็จะค่อยกลายเป็นสู่ความละเอียดเป็นลําดับลําดับบางครั้งจนถึงกับลม หายไปหมดในความรู้สึกมีพราพความละเอียดมากละเอียดจนถึงขนาดว่าลมได้หายไปแล้วในขณะ น, นี้ไม่มีเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆอย่างนั้นก็มีเนี่ยเรื่องของการภาวนาในขณะนั้นจิตจะมีความสงบมากสงบจนเป็นที่อัศ จ, จรรย์ถ้าลมลมดับไปไม่มีอะไรเหลือเลยกายก็ดับไปพร้อมกันคือดับในความรู้สึกไม่ใช่ว่ากายนี้ดับหายไปไหน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 แต่ส่วนมากคนที่พูดอย่างนั้นไม่เคยภาวนามาพูดเป่าๆไ ป, ปนั่นแหละหลอกคนคนก็พอที่จะเชื่ออยู่แล้วเพราะมันคนในลักษณะเดียวกันแล้วก็เชื่อกันได้ง่ายถ้าว่ามีหลักมีเกณฑ์อยู่ภายในตัวเองมีเหตุมีผลอยู่ภายในตัวเองซึ่งเคยกระทาในการภาวนามาแล้วจะไม่เชื่อคำพูดเช่นนั้นเพราะเหตุไรเพราะพระพุทธเจา้า ส, สอนสัตว์โลกไม่ได้สอนสัตว์โลกให้เป็นบ้าพระพุทธเจา้าที่เป็นาศาสดาก็ไม่ใช่าศาสดาบ้ามาสอนสัตว์โลกจะสอนเพื่อเป็นบ้าได้ยังไงผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อปัด ปฏิบัติตาม ห, หลักธรรมที่ท่านทรงสอนไว้โดยถูกต้องแล้วจะเป็นบ้าไปได้อย่างไร <c oughs> เป็นไปไม่ได้เหตุที่จะเป็นบ้า น, นั้นมันเป็นได้เพราะความแยกจากธรรมคือผิดจากหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เช่นกำหนดภาวนาพุทโธพุทโธพอจิตส่งไปรู้เห็นอะไรก็กิจก็เพลินไปตามโน้นเสียลุจจนกระทั่งลืมคำบริกรรมของตนนี่มีทางผิดได้นี่แหละคนที่ว่าเป็นบ้าเป็นบอเพราะผิดจากหลักของการภาวนาผิดจากหลักของาศาสนาแล้วเอาศาสนาไปทำนิตรติโทษหรือติเตียนว่าภาวนา ทำให้คนเป็นบ้านี่เป็นอย่างนั้นในเมือ่อเรากําหนดอยู่เช่นนี้ไม่มีอะไรกําหนดคําว่าพุโทโธพุโทโธก็ให้มันรู้อยู่กับใจของเหล่านี้ไม่ต้องคิดวาดภาพเห็นสวรรค์เป็นอย่างนี้นิพพานเป็นอย่างนั้นหรือเทบุตรเทดาเป็นอย่างนี้อินงพรมโยมยักษ์เป็นอย่างนั้นนั่นดังที่เราเรียนมาในแบบเห็นในแบบนั่นท่านเห็นด้วยความจริงด้วยด้วยญาณของท่านในหลักธรรมชาติของท่านที่รู้แต่เราไปเห็นไปเห็นด้วยการวาดภาพด้วยคาดคะเนดาวเอา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 ให้เราเริ่มภาวนาอย่างที่ว่านี้ผู้ที่ภาวนาอนาปาณสตินั้นมีความสำคัญอยู่ตอนหนึ่งแต่ตะกี้นี้มาได้อธิบายให้ถึงเหตุถึงผลของลมนั้นคือขนาดที่เราภาวนาไปถึงขั้นลมละเอียดละเอียดลงไปละเอียดลงไปจิต ด, ดูโดยลาดับๆแล้วปรากฏว่าลมนี้หายไปเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนี่จะเกิดความนิตกขึ้นมาภ า, ายในจิต ซึ่งเป็นเครื่องหลอกตนอีกเหมือนกันยังได้แก้คุงนี้ไว้เพื่อให้ได้เข้าใจเมื่อปรากฏว่าลมได้หายไปในความรู้สึกแล้วมันจะเกิดความมิดตกขึ้นมาว่าเมื่อลมหายไปนี้จะไม่ตายเหรือนันน่นนี่แหละหลอกตัวเองพออะ่านั้นก็เรียกว่ากลัวตายเมื่อวิตกขึ้นมานี้ลมก็ปรากฏขึ้นมาเสียเลยได้เพียงขั้นนี้ไม่เตะเลดิดละเอียดยิ่งไปกว่านั้นเพรา ะ, ะนั้นเพื่อตัดปัญหาข้อนี้เมื่อลมได้ปรากฏ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 พอจิตได้รับความสงบเป็นผลขึ้นมาแล้วเรื่องความเพียรความอุตสาห์พยายามหรือความขยันความมีเวล่ำเวลานั่นมาเองมากับความพอใจมากับความเชื่อที่เราได้เห็นผลนั่นเป็นประจักษ์พยานแล้วเรื่องเวล่ำเวลาก็ณีสถานที่อะไรที่ควรจะทําภาวนาทําความสงบใจหรือทําความเพียรทางด้านจิตใจไม่ต้องถามเมื่อจิตมีความพอใจแล้วมันสาะแสวงหาได้เองทีเดียวนี่ขั้นหนึ่งของการภาวนา วิธีการภาวนาเป็นอย่างนี้นี่เราพูดถึงขั้นภาวนาเพื่อความสงบที่นี้ขั้นของปัญญาที่เรียกว่าวิปัสนาแท้ดังที่เราพูดกันนั้นเป็นคําพูดติดปากว่าไปทําวิปัสนาคําว่าวิปัสนาแปลว่าความเห็นแจ้งด้วยการพิจนารณาโดยทางปัญญาแต่เมื่อพูดรวมๆแล้วเรียกว่าภาวนานี่ครอบทั้งสมถะนิปัสนาแต่เราจะพูดว่าวิธทําวิปัสนาก็เข้าใจกันว่าทําภาวนานั่นแหละ การวิปัสสนาจริงๆก็คือการพิิจพิจารณาเมื่อจิตมีความสงบร่มเย็นแล้วจิตย่อมมีอุบายต่างๆไม่เมื่อเราพาคิตพาพิจารณาแยกแยะถาดขันเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเราเคยได้อ่านแต่ตำหลับตำหลักว่าอนิจจังอยู่ที่ไหนทุกขังอยู่ที่ไหนเห็นแต่คนนั้นแก่เห็นแต่คนนี้นตายเห็นแต่คนนั้นพับภากสลายจากการตัวของเราก็คือตัวพับทาคตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกัน โอปัญญยโกน้องก็มาสู่ตัวของเราแกมาทุกวันทุกวันตั้งแต่วันตกคลอดออกมาแกขึ้นมาเรื่อยๆแกมาเดินดับแปรสภาพมาเรื่อยๆนี่เดียวอันนี้จังความทุกข์ติดเนี่ยมาตั้งแต่วันเกิดขนาดที่ตกคลอดออกมานั้นสลบสลายตัวเองของเด็กนั้นไม่รู้ตัวเลยความทุกข์เหลือประมาณบางรายก็ตายใช่ตั้งแต่อยู่ในท้องตกคลอดออกมาตายก็มีเพราะทนทุกข์ไม่ไหวเรื่องความทุกข์มันติดเนี่ยมาตั้งแต่นโนนจนมาทั้งบัดนี้เรายังจะสงสัยเรื่องอันนีจังทุกขังตาที่ไหนไปอีก กองอนนีจังทุกขับหน้าตาอยู่กับตัวเราอย่างสองปูนอยู่แล้วอันนี้จังคือความแปลสภาพแปลทุกขณะแม้แต่เวลานี้นั่งอยู่สักครู่เดียวมันก็หน่วยแล้วนั่นมันแปลแล้วธาตุขันแปลเป็นอย่างหนึ่งเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วอน้าตาเราจะถือเอาสาระแก่นสารอะไรในธาตุในขันอันนี้มันก็มีแต่กองดินน้ำลมไฟที่ประชุมกันอยู่แห่งธาตุเท่านั้นท่านเรียกว่าธาตุสขันก็เรียกว่าขันห้าคือรูปได้แตร่างกายทังเรานี้เป็นขันหมายถึงกองเป็นโมหรือหมวดเนี่ยเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆนี่็เปน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 เต็มตามภูมิของเราสําหรับความบริสุทธิ์นั้นเสมอการทันวันนับถิ่เสืเยอปาระไปอยู่นับตั้งแต่สาวกองตั้งแต่ผู้ที่เจ้าลงมาจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายบรรดาบรรดาที่เป็นพระหันแ้วความบริสุทธิ์เสมอกันไม่มียิ่งหย่อนต่างกันเลยนี่เหมือนกันตรงนี้นี่แหละคือผลที่เกิดขึ้นจากทำอีกด้วยการภาวนาทําไปโดยลําดับลำดั บ, บแก้เกลืไปโดยลาดับจนกระทั่งแก้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วเหลือความบริสุทธิ์ล้วน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 เหตุมีอยู่ผลต้องมีผู้ปฏิบัติถูกต้องดีงานตามหลักธรรมที่ท่านสอนผลจะไม่ได้รับอย่างไรคําว่าธรรมก็คือสวนขาจะทำจับได้ชอบแล้วไม่ใช่โมฆะธรรมผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่ได้รับผลมักผลนิพพานที่ว่ามันสู ญ, ส, ญ, ส, ญสูญไปไหนมันสูญจากบุคคลผู้ไม่สนใจต่อาการปฏิบัตินั่นแหละแม้แต่ข้างพุทธการก็มักผลนิพพานไม่มีสําหรับบุคคลที่ไม่สนใจแต่มีสําหรับผู้สนใจที่ปฏิบัติตามหลักพระเจ้าในสมัยนี้ก็เหมือนกัน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 เมื่อนำมาเพือปฏิบัติกรรมจากกิเลสทาไมกิเลสจะไม่หลุดลอยไปได้ด้วยอํานาจแห่งการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องในงามตามหลักมรรคมานั้นเล่าก็ต้องได้เหมือนกันเมื่อสรุปความลองแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีสําหรับผู้ไปปฏิบัติเท่านั้นแต่มีสําหรับผู้ปฏิบตัติมีมากมีน้อยตามกําลังแห่งความปฏิบัติของตนมีอยู่ตรงนี้เรียกว่าสวขุขาธรรมตรัสไว้ชอบนิยานิกระทธรรมนำผู้เพื่อปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มี อันใดที่เหนือจากทำห้อยเจ้าไปได้ที่จะเป็นเครื่องแก้ที่เป็นเครื่องแก้ทิ่เละให้หมดสิ้นไปจากกิจใจจึง เ, เป็นที่ลงใจในการมาพื้นปฏิบัติธรรมและไม่มีใครที่จะพูดได้ถูกต้องแม่นยํายิ่งกว่าศาสตร า, ศ า, ศาซึ่งเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วพูดตั้งแต่ความจริงทั้งนั้นความโคตรความโกงความหลอกความลองต้มตุ๋นอย่างโลกนี้พระพุทธเจ้าไม่นํามาพูดเพราะมันที่เป็นเรื่องของกิเลสนั้นเรื่องธรรมต้องพูดคงไปคงมา พูดตามเหตุตามผลพูดตามความจรัสความจริงผู้ปฏิบัติปฏิบัติตามความสรัสความจริงทำไมจะไม่รู้ความจริงแล้วต้องรู้นี่ล้ำใหญ่ก็อยู่ที่ตรงนี้นั่นในอวสารอย่างการแสดงธรรมนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำปฏิบัตพิจรารณาว่าธรรมที่แสดงประ น, นีมีหนัาเ บ, บามากน้อยเพียงไรเป็นที่แสดงหูแสดงใจของท่านทั้งหลายก็ขออภัยด้วยเพราะธรรมนี้เป็นธรรมปาหของว่ากคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายไม่มากก็น้อยเอาละเพียงเท่านี้